มันถ้าหากว่ามีสติในขณะที่มองเห็นก็สามารถที่จะพอกพูนกุศลต่อไปได้นะถ้ามีสติรับเสียงได้ยินเสียงเนี่ยนะสติอันนี้ก็จะสามารถพอกพูนกุศลได้ไม่ให้อากุศลเกิดต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่จะตามองเห็นหูได้ยินแล้วรักษากุศลลจิตได้นั้นคนนั้นจะต้องรู้โทษภัยของอกุศลเป็นอย่างดีเห็นอ น, นิสงส์ของกุศลจิตเขาจึงสังวรรักษา กุสลเจตนาเหล่านี้เอาไว้ได้ก็บอกว่าคนที่จะรักษาศีลได้เพราะอะไรรู้ไหมคนที่รักษาศีลได้เพราะอะไรเพราะเห็นโทษของการล่วงละเมิดศีลและเห็นอนิสงค์ของการรักษาศีลเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามองเห็นเนี่ยหูได้ยินเสียงเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องเห็นโทษว่าถ้าผิดศีลแล้วโทษใดๆจะเกิดขึ้นต่อไปบ้างถ้ารักษาเจตนาเป็นต้นในขณะเห็น มีอ น, นิสงส์อย่างไรนี่นะอันนี้ก็จะทำให้มีกำลังใจที่จะรักษาศีลต่อไปได้ฟังเสียงด้วยโสตะดมกลิ่นด้วยขานะลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภาด้วยกายถูกต้องธรรมรมณ์รู้แจ้งธรรมรมณ์ด้วยใจเป็นที่น่าสังเกตนะว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าเห็นรูปด้วยจกักษุใช่ั้ย ตานี่เห็นรูปใช่ไหมตาเห็นรูปหรือเปล่าเอาบอกเอาเห็นเห็นรูปด้วยตาอันนี้เป็นนัยยะครัว่างนะั้นก็บอกว่าที่จริงเนี่ยตาไม่ได้เห็นรูปรอแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นรูปอีกนั่นแหละพระองค์จึงใช้ว่าอาศัยกับอาศัยจากสุกับรูปจากคุูวิญญาณเกิด จักขูวิญญาณรมทัศนกิจกิจเห็นแต่จักขูวิญญาณนั้นอาศัยจักขูวัตถุจกักขูภาษาธาเกิดเพราะฉะนั้นจกักขูภาษาธานั่นแหละเป็นนิสยปัจจัยที่อาศัยที่มีความสำคัญมากต่อการเห็นภาพต่อการเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อตาเนี่ยนะมีความสำคัญก็เลยเรียกเป็น ส, สัสธมภารคถ า, าว่าเห็นด้วยตา ใช้ตาเห็นที่จริงแล้วตานี้ไม่ใช่เป็นตัวเห็นตัวที่เห็นคือจักโขโหวิญญาณเหมือนก็บอกว่าโอ้โหถูกยิงด้วยปืนทําไมปืนไม่ไปฝังอยู่ในร่างกายของคนที่ถูกยิงล่ะใช่ไหมถ้าถูกยิงด้วยธนูเนี่ยถูกยิงด้วยลูกธนูหรือว่าถูกยิงด้วยตัวธนูอาจถูกยิงด้วยปืนหรือว่าลูกปืนมันยิง แต่ลูกปืนนั้นจะไม่วิ่งวิ่งมามาถูกคนเลยนะถ้าไม่มีปืนชาแนลธนูก็เหมือนกันจะยิงไม่ได้ถ้าไม่มีคันธนูอย่างเงี้ยเขบอกว่าตาเนี่ยเหมือนกับจากครูภาษาท่าเหมือนกับปืนเหมือนกับธนูเนี่ยนะจิตที่เห็นเหมือนกับลูกธนูเนี่ย น, นะดันั้นจากครูวิญญาณก็จะในลักษณะนั้นนั่นเองเป็นสสามภารคาถาเพราะว่าตานี่มีความสําคัญมากต่อการเห็น เห็นชัดหรือไม่ชัดก็อยู่ที่คุณภาพของตาถ้ากรรมบางอย่างทําให้ตาเขยตาเอียงเนี่ยนะก็มองเห็นภาพก็ไม่ชัดด้วยเหมือนกันถ้าขาดสารอาหารเพราะว่าตานี้ที่จะมาหล่อเลี้ยงบํารุงอยู่ได้ก็สมุทฐานสใช่ไหมที่จะมาอุปถัมภ์ทั้งรุดทั้งหมดอ่ะนะเอาไว้เนี่ยเพราะว่ากรรมอย่างเดียวอยู่ไม่ได้เนี่ยนะกรรมนี้ทําให้ตาเกิดแต่ว่าจะเห็นชัดหรือไม่ก็อยู่ที่อาหารอยู่ที่เลือดเขาบอกว่ามนุษย์นั้นเห็นภาพไม่ชัดเพราะน้ําดีและเลือดนี่ย ติดพันทําให้จกักรคูภาษาทะนั้นไม่ใสพอที่จะมองเห็นอะไรได้กว้างไกลเหมือนกับเทวดาเทวดานี้เขาไม่มีดีไม่มีเลือดไม่มีเสเลดเนี่ยนะมาติดพันทําให้ตาในเศร้ามองอนนันเทวดาก็เลยมองได้ไกลมองได้ชัดเจนเป็นต้นอั น, น, นจกักขคูภาษาทะนี่นับว่าความสําคัญมากเอเมื่อกี้บอกว่าสํารวมจกักขคูจกักรคูวิญญาณนี้มีเจตสิกเกิดร่วมเท่าไหร่มีเจ็ดอย่างนะคือ ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกขาตาชีวิตติรีและมนสิยการถามว่าสำรวมจากขุนีเนี่ยนะสำรวมตานี่สำรวมด้วยสติใช่ไหมสติไม่ได้เกิดร่วมกับจกักรวิญญาณนะหรือว่าสำรวมที่สัมปติช น, นะสันติรนะวุฒคณะจิตเหล่านั้นก็ไม่มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่หมายถึงสำรวมที่ ชาวนะสํารวมที่ชาวนะหมายคำว่ามองเห็นและคิดอะไรต่อไปอันน้ชาวนะนั้นเป็นไปกับโลภะก็มีเป็นไปกับโทสะก็มีเป็นไปกับโมหะก็มีหรือเป็นไปกับกุศลก็ได้แต่ถ้าหาว่าเป็นไปกับโลภะนะก็ไม่ใช่ศีลใช่ไหมไม่ใช่ศีลที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าเป็นไปกับโทสะ ก็ไม่ใช่กุศลสีลที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าเป็นไปกับโมหะก็ไม่ใช่กุศลศีลที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงแต่ต้องเป็นไปกับสติสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นแหละจึงจะสามารถรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นในดีกาท่านอธิบายว่าพระ อ, องค์นี้ทรงแสดงถึงสติเป็นธรรมะที่พึงเข้าไปตั้งไว้ก่อนทีเดียวตั้งไว้ก่อนที่จะเห็นแล้วละ่ะ พมนะันถ้าคนที่ฝึกเนี่ยนะขณะแลขณะเี้ยวฝึกสัมปชัญญะสี่เลยใช่ไหมแลเหลวเพื่อประโยชน์อะไรอันนี้เรียกว่าศาสกะสัมปชัญญะคำหนึ่งในขณะที่เห็นแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าแลเหลวอันนั้นอนะ่ะเกิดประโยชน์ไหมขณะที่เป็นไปกับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นไปกับสติแหละแต่อย่าลืมนะประโยชน์นี้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะ แล้วถ้าประโยชน์โลกนี้ต้องไม่ขัดกับประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์โลกหน้าก็ต้องไม่ขวางประโยชน์อย่างยิ่ง น, นะฮะันก็ต้องสัมพันธ์กันในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอินทรีสังวรศีลนี่นะก็คือสำรวมเมื่อตามมองเห็นจิตเป็นกุศลคือมีสติมีสติคือสากกะสัมปชัญญะเป็นต้นนะคำนึงถึงประโยชน์ของการเห็นได้การได้ยินก็เหมือนกันเนี่ยนะ หูได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมีสติมีสติถามว่าสติเนี่ยก็คือสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงเนี่ยก่อให้เกิดคุณโทษอะไรได้บ้างเนี่ยนะเพราะว่าคนที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคนนั้นก็ศึกษามามากแล้วเพราะว่าถ้าฟังไม่เพียงพอนี่นะอินทรีย์สังวรเนี่ยเกิดไม่ได้อินทรีย์สังวรนี่มีอะไรเป็นอาหารอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะเป็นอาหาร สติสัมปชัญญะมีอะไรไป เ, ะเป็นอาหารโยนิโสเป็นอาหารนั่นนะสติสัมปชัญญะมีโยนิโสเป็นอาหารอะไรโยนิโ ส, สมีอะไรเป็นอาหารศรัทธาศรัทธาอันนั้โยนิโสมีศรัทธาเป็นอาหารเอาแล้วศรัทธามีอะไรเป็นอาหารอะไรนะสุตะนั่นนะการฟังอันนะ สุตาก็มีการควบสัตบุรุษนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าการควบสัตว์บุรุษที่บริบูรณ์ก็จะทําให้ทําให้อะไรทำให้เกิดการฟังสัจธรรมบริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังโยนิโสให้บริบูรณ์โยนิโสที่บริบูรณ์ย่อมยัง สติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์อินทรียสังวรจะดีเพราะฉะนั้นมาอยู่ๆโอ้ฉันจะสังวรเนี่ยนะหลับตาตีอะไสังวรมันหลับแต่ตานี่หูไม่ได้หลับด้วยใช่ไหมนั่งเงียบๆไม่ได้หลับหูนะจมูกก็ไม่ได้หลับกายเนี่หลับตรงไหนล่ะคะนี้ตั้งแต่หัวโจรเท้านี่รับรู้อารมณ์หมดเลยใจอ่ะใจยิ่งไปกันใหญ่เลยหลับไม่ได้เลยหลับไม่ลงเลยหลับตาได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอารมณ์เรารับรู้หมดเลย ไม่ทวารใดก็ทวารอย่างเมื่อรับรู้ทุกทวารอย่างนี้นะถ้าไม่ศึกษาอย่างเพียงพอไม่ฟังอย่างเพียงพอจะไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติเมื่อไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยที่จะไปมีโยนิโสเป็นต้นมีสติสัมปชัญญะคํานึงถึงประโยชน์เป็นไปตามคําสอนก็ไม่ใช่ฐานะแล้วเพราะฉะนั้นการฟังที่บริบูรณ์จนมีความรู้ความเข้าใจเหตุผลในอารมณ์นั้นๆจนบริบูรณ์ เนี่ยนะถามว่าสีสีที่มองเห็นเนี่ยรูปเนี่ยนะรูปที่น่ารักอคัคระวารูปที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเนี่ยนะรูปที่ที่เราเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถามว่ามีโทษไหมมีโทษโทษยังไงของรูปโทษของรูปตัวรูปเองเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนะเฉพาะตัวรูปเองเลยนะรูปเป็น เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเกิดจากสมุทฐานสี่มีกรรมเป็นต้นถามว่าจิตที่ไปมีรูปเป็นอารมณ์นั้นน่ะมีโทษหรือไม่มีโทษจิตที่ไปมีรูปเป็นอารมณ์นั่นแหละานะเพราะจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ชาติด้วยกันนะโดยชาติของจิตธนาเห็นเป็นชาติวิบากแต่ก่อนเห็นเนี่ยนะเป็นชาติกิริยาปัญจทวารวชนะเป็นชาติกิริยา หลังจากนั้นก็ชาติวิบากสามดวงเมื่อชาติวิบากเสร็จก็ชาติกิริยาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะวิบากกับกิริยาเกิดสลับกันหลังจากนั้นเป็นชาติกุศลหรืออกุศลก็อยู่ที่การสะสมมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มาว่าศึกษาธรรมะเนี่ยนะบริบูรณ์หรือเปล่าในอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะถ้าหากว่าเรียนมาจนบริบูรณ์แล้วจะเห็นว่าสีอันนั้นทําให้เกิดอกุศลได้ อากุศลเหล่านั้นไม่ใช่ศีลแต่ถ้าศึกษามาจนบริบูรณ์ว่าศีลอันนั้นเป็นอารมณ์ของเจตนาศีลได้เป็นอารมณ์ของเจตสิกศีลได้เป็นอารมณ์ของสังวรศีลได้เป็นอารมณ์ของอวีติกรมมศีลได้เนี่ยถ้าหากว่าเห็นคุณค่ารักษาไปอย่างนี้แล้วเนี่ยฝึกได้ขนาดนั้นแล้วรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้สบายๆเลยนะแต่ถ้าหากว่า ความเข้าใจไม่พอที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงก็คงคงอ่อนนั่นะเพราะว่าศีลจะมีอา น, นิสงส์มากก็อยู่ที่เข้าใจมากก็ปฏิบัติได้มากเข้าใจน้อยก็ปฏิบัติได้น้อยเนี่ยนะตรงนี้อยู่ที่ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานี้เป็นเครื่องชำระศีลเนี่ยนะก็ความในอัตตกถาเมตสูตานิบาศกล่าวถึงว่า ผ้าจะซักให้สะอาดก็ต้องอาศัยน้ําด่างเป็นต้นใช่ไหมชําระให้ผ้าสะอาดเหล่านั้นฉันใดก็ดีศีลก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องชําระเพราะนนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่มีปัญญาคือสุตามายะปัญญาเป็นเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลไว้ได้ น, นะนี่นะเพราะสุตามายะปัญญานั้นนับว่ามีความสําคัญมากนับว่ามีความสําคัญมากต่อการสังวรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าถ้าหากว่า เราเกล่าวถึงอินทรีย์สังวรนี่นะอีกชื่อหนึ่งว่าชื่อว่าสติสังวรถ้าเรียกโดยสภาวะตัวศีลเรียกว่าสติสังวรถ้าเรียกโดยทวารเรียกว่าอินทรีย์สังวรในบรรดาอินทรีย์ทั้งสังวรนั้นนะมณีศีนี่นะมณีศีสังวรนีน่ orn, นับว่าสําคัญมากก็คือไอพะวังขจิตก่อนที่จะขึ้นสู่มโนทวารวิถีเนี่ยนะถ้าปัญจทวารวิถีเนี่ยนะ จักรุทวานเป็นใหญ่ทางตาจักรุทวานเป็นใหญ่ในทางจักรุทวารวิถีอ่าจักรุภาษาธาเป็นใหญ่ของจักรุทวารวิถีโสตภาษาธาเป็นใหญ่แห่งโสตทวานวิถีขานาภาษาธาเป็นใหญ่แห่งขานทวานวิถีชิวหาภาษาธาเป็นใหญ่ในชิวหาทวานวิถีกายปภาษาธาเป็นใหญ่ในกายทวานวิถีส่วนภวังคจิตกับอาวัชนะจิต คือมโนทวาราวชนะเป็นใหญ่ในมโนทวารวิถีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอ๋พาวัชนะจิตหรือภวังขจิตนั้นเนี่ยนะจะเป็นปัจจัยที่ว่าใครจะสังวรได้หรือไม่ถ้าหากว่าชาวนะไม่เป็นกุศลเนี่ยนะชาวผวังอันนั้นก็ชื่อว่าไม่สังวรไว้แล้วเพราะใะ น, นสังวรมนินทร์ศีนี่นะนับว่ายากจริงๆนับว่ายากมาก นั่งคิดอะไรให้มันเป็นกุศลได้ตลอดเนี่ยใครทำได้บ้างก็บอกว่าคนที่ฝึกจะทำได้คนที่ไม่ฝึกทำไม่ได้อนอันอ้นคนที่ฝึกก็แสดงว่ามีข้อมูลมากเขาจึงฝึกไอ้ความคิดอันนั้นได้ที่จะให้เป็นไปกับกุศลได้แต่ว่าอารมณ์ของกุศลเนี่ยนะมีกี่อย่างกุศลมีกุศลเป็นอารมณ์ได้หมได้กุศลมีอมกุศลเป็นอารมณ์ได้ไหม ได้เพราะฉะนั้นกุศลจิตเกิดขึ้นอาจจะพิจารณาอกุศลในขณะนั้นก็ได้เนี่ยนะหรืออาจจะพิจารณาอกุศลในภายในในอดีตก็ได้พิจารณาอกุศลในภายนอกก็ได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะมีอกุศลเป็นอารมณ์ก็ได้เนี่ยนะกุศลมีอกุศลเป็นอารมณ์ได้แต่ไม่ได้ฝักฝ่ายในอกุศลกุศลเนี่ยนะเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขารู้อกุศลแต่เขาไม่ฝักฝ่ายในอกุศล แต่ในขณะเดียวกันเข้าปฏิบัติเพื่อละคลายอากุศลกุศลเนี่ยนะเขามีกุศลเป็นอารมณ์ได้แต่เขาก็ฝักฝ่ายในกุศลด้วยกันด้วยต่อไปน ะ, ะถึงอาชีวะปาริสุทธิศีลเลยนะคร่าวๆเพราะช่วงนี้ยังไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรมากอางพูดกว้างๆไปก่อนเนี่ยนะะส่วนความงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ ที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับความก้าวล่วงสิกขาบทหที่ทรงบัญญัติไว้เพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นกัรณะกัรณะก็เหตุอีกนั่นแหละและโดยเกี่ยวกับบาปประธรรมทั้งหลายพระองค์นี้ทรงบัญญัติสิกขาบทหสิกขาบ ท, าบท ต, รตรงตรงเลยนะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของพระพิสุโดยตรงเลยซึ่งหสิกขาบทนี้เราจะได้เรียนข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างในหน้า76็7นั่นนะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เอามากล่าว แล้วก็พิษุูนั้นสามารถประพฤติทำผิดผิดอาชีพด้วยบาปประธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นกู h นาหลอกลวงเนี่ยนะกู h a ที่เรียกว่าหลอกลวงก็คือหลอกลวงด้วยกู h a วัตถุสามอย่างเช่นมีการพูดเลียบเคียงเป็นต้นชื่อว่ากู h a อันนะรายละเอียดจะได้ขยายอีกครั้งหนึ่งอันนี้หัวข้อใช่ใหรือว่าละปนาการพูดยกยออันนะ เช่นการพูดยกยอตนเองวาโอ๊ยอาตมาเนี่ยดีสุดยอดอย่างนี้อย่างนั้นใครมาทําบุญกับอาตมาได้บุญเยอะอันนี้เรียกว่ายกยอนะยกยออะยกยอเคยเห็นไหมว่ายกยอนี่เป็นยังไงคนที่อยู่ใกล้คลองน่าจะรู้นะถ้ายกยอแล้วต้องได้อะไรติดมาตาใช่ไหมอันนี้ยกยอนี้ก็เหมือนกันนะถ้ายอโยมเป็นต้นก็แสดงว่าจะล้วงกระเป๋ายอมละโยอตัวเองก็แสดงว่าสรุปแล้วล้วงกระเป๋ายมนั่นแหละ จะย่อแบบไหนก็ช่างยอภายในยอภายนอกกับอันเนี้ยนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของมิจฉาอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมอาชีวะไม่บริสุทธิ์เนมิตตกาความเป็นผู้กระทํานิมิตคําว่าเนมิตกากระทํานิมิตเนี่ยนะก็คือกายกรรมบจีกรรมที่ให้เกิดความหมายจะให้ให้ให้ปัจจัยเนี่เรียกว่านิมิตทำนิมิตเนี่ยนะเช่น อยากชันก๋วยเตี๋ยวเงี้ยไปยืนดูแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆเนี่ยโยมก็เลยโอ้ทงใส่ท่านอยากชันก็เลยถวายเลยอั น, นแบบเนี้ยนะอันนี้เรียกว่าธรรนะิมิตหรือว่าอยากได้อะไรก็เลี้ยวดูแต่เรื่องนั้นบ่อยๆเนี่ยนะเรียกว่าเรียกร้องความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นจนเขาอดทนทนไม่ได้เลยเอามาให้เลยอันนี้เรียกว่าธรรนิมิตหมายเนี่ยนะหรือว่านิเปสิกาความเป็นผู้พูดบีบบังคับอ่านะ พูดบีบบังคับบทขยี้ด่าโยมเลยก็ได้เนี่ยนะก็คือด่าจนเขาทําบุญอ่ะก็มีนะพูดเรียกว่าบทขยี้ด้วยการด่าเป็นต้นคนอื่นที่เรียกว่าก็คือพูดว่าโอ๊ยหน้ายางงี้จะไปทําบุญทํากุศลอะไรได้อย่างงั้นอย่างเงี้ยนะพูดถ้าจนเขาทําบุญได้เลยอ่ะคนอย่างนี้ขี้เหนียวทําบุญไม่ได้หรอก ทานก็ไม่ให้อะไรก็ไม่รู้จักให้จีวนก็ไม่รู้จักถวายพระข้าวปลาอาหารก็ไม่รู้จักทาบุญสักทีหนึงอะไรเงี้ยนะพูดด่าไปด่ามาเราอดมันไม่ได้เลยทําบุญเลยอันนี้เขาเรียกว่านิเปศิกตาเขาวางั้นพูดบีบบังคับอ่ะไม่รู้ว่าพูดจนให้กันแล้วกันนะลาเพนลาพังนิชิคิงสนตาความปรารถนาจะใช้ลาบนําลาบเข้าไปเขาเรียกว่าเอาลาบตอนลาบ นั่นนะนะเขาเรียกว่าเอาลาบต่อลาบนั้นก็เช่นเอาลาบของตนเนี่ยนะแล้วก็ไปแลกด้วยลาบของคนอื่นอย่างเช่นให้ข้าวของบางอย่างให้อะไรบางอย่างเนี่ยนะรู้นะถ้าเขารับอันนี้จากเราไปแล้วเขาเช้ามาต้องมาทําบุญอย่างแน่นอนแนะนะไอการให้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเอาลาบต่อลาบอ่านี่โยมเอาของดีไปเนี่ยโยมก็ได้ของดีเขาก็เนี่ยโอ้ทํามีดีก็เลยทําบุญเลยอประเภท น, นี้แหละ เขาเรียกว่าเอาลาบต่อลาบซึ่งจะได้ขยายละเอียดละเอียดอีกครั้งต่ อ, ตอไปอันนี้ก็อาชีพที่เกี่ยวกับบาปประธรรมทั้งหลายในตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อหเนี่ยนะก็คือกุหนาหลอกลวงลับปนายกยอเนมิตกากระทํานิมิตนิเปสิกตาความเป็นผู้บีบบังคับลาเพนะลาพังนิชิติงสนาตาความปรารถนาจะใช้ลาบ นำเอาลาบไปเอาลาบไปล่อหน่อยเดียวนเรียกว่าตกเบ็ดนะนะหน่อยหนึ่งสบายเลยนะนะกุ้งฝอยตกปลากระพงนะใตัวใหญ่เลยอสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าอาชีพไม่บริสุทธ์นะปัจจัยสี่ที่ได้มาเพราะพวกนี้เชื่อว่าไม่บริสุทธ์หรือว่าสิกขาบทตรงๆอีกมีหสิกขาบทเลยนะเช่นปาราชิกเป็นต้นไล่ลงมาเรื่อยเลย มีอยู่หกสิขาบทอะที่บัญญัติเพราะเพราะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพโดยตรงยแต่ว่าจะได้ขยายละเอียดอีกครั้งแต่นี้กล่าวนำไปก่อนเดี๋ยววันหลังจะได้เอากลับมาพูดใหม่ก็ทำความคุ้นเคยก่อนเหมือนกนเดี๋ยวเอาละเอียดเลยเดี๋ยวเลิกเรียนกันนะต่อไปนะธรรมะเครื่องใช้สอยปัจจัยสี่ที่บริสุทธิ์เพราะการพิจารณาธรรมะธรรมะตัวนั้นคือเจตนานะ เจตนาเครื่องใช้สอยปัจจัย4ี่ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือไม่เศร้าหมองเพราะการพิจารณานะเป็นเจตนาที่พิจารณาปัจจัย4ี่เงมืนกันเนที่ตรัสไว้โดยนัยยะว่าภิสูุพิจารณาจีวรโดยถูกทางโดยถูกทางก็คือโดยแยกขายปฏิสังขาโยโอนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวเทวะสีตาสาัสสะปฏิคาตายะอุณหาสาัสสะปฏิคาตายะเป็นต้นนั่นแหละนะพิสูุพิจารณาโดยถูกทางแล้วจึงเสพ เพียงเพื่อป้องกันความนาวคือนุ่งห่มมันนะเพียงเพื่อป้องกันความนาวเป็นต้นรายละเอียดจะได้กล่าวอีกต่อไปอย่างนี้ชื่อว่าปัจจยะสามนิสิตศีลพ้นเจตนาที่พิจารณาใช้สอยเนี่ยนะเป็นเจตนาที่หาโทษไม่ได้เป็นไปด้วยประการนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ทุกอย่างต้องพิจารณาถ้าหากว่าไม่พิจารณาศีลเหล่านี้ก็ไม่ บริสุทธิ์ว่า ง, งั้นเถอะถ้าศีนไม่บริสุทธิ์นี่นะคุณธรรมที่จะรองรับกุศลชั้นสูงก็บกพร่องไปแล้วเนี่ยนะ